เจ้ากรรมนายเวรตามหลักอภิธรรมได้กล่าวไว้ว่าคนเราจะถึงแก่วความตายด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. สิ้นกรรม 2. สิ้นอายุ 3. สิ้นทั้งกรรมและอายุพร้อมกัน 4. อุปเชษทกกรรมคนที่ตายโดยอุปเชษทกกรรมก็คือผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆหรือตายเพราะถูกเขาฆ่าตายคำว่าอุปเชษทกกรรมแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดชีวิตก่อนที่ยังไม่ถึงกาหนดคือยังไม่ทันจะสิ้นกรรมที่ทําให้เกิดมาในโลกนี้หรือยังไม่ทันสิ้นอายุก็มาตายซะก่อนโดยปกติ คนที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งก็มักจะมองดูชีวิตอย่างผิวเผินเช่นเมื่อเห็นคนตกน้ำตายต้นไม้ทับตายฟ้าผ่าตายรถชนตายถูกงูกัดตายถูกคนฆ่าตายหรือจะตายด้วยอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่เป็นการตายอย่างปกติคือเป็นโรคตายหรือแก่ตายในกรณีที่ตายเพราะอุบัติเหตุนั้น เราก็มากจะนึกกันแต่เพียงเหตุเท่าที่ตาของเรามองเห็นหรือเท่าที่พอจะสืบกันได้จากเหตุการณ์ภายในชีวิตนี้เท่านั้นส่วนเหตุที่ลึกลับซึ่งตาของคนธรรมดาจะมองไม่เห็นเหตุอย่างนี้คนส่วนมากไม่ยอมรับแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากเราเข้าใจชีวิตว่าชีวิตของคนเราได้เอากำเนิดมาจากวิญญาณและทุกคนเมื่อตายแล้วก็จะเกิดเป็นโอปปาติกะ ชีวิตของคนกับชีวิตของพวกโอปปาติกะมีความสัมพันธ์กันและวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในสันดานอันนี้คือตัวการสำคัญที่จะชักจูงเหตุการณ์หรือชีวิตของพวกโอปปาติกะให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนถ้าหากเราเข้าใจชีวิตมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ตายเพราะถูกคนฆ่าตายนั้นไม่ใช่เป็นการตายโดยบังเอิญหรือว่าเป็นการตายเพราะเหตุเท่าที่ตาเรามองเห็นเท่านั้นจากหลักฐานในคัมภีร์และจากตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาจากคําบอกเล่าของพ่อฤาษีและโอปปปาติกะองค์อื่นๆนั้นปรากฏว่าผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุก็ดีผู้ที่ถูกฆ่าตายก็ดี ทุกรายย่อมมีสาเหตุเกี่ยวโยงไปถึงกรรมในอดีตและมักจะเกี่ยวข้องกับพวกโอปปปาติกะเสมอตัวอย่างในคำพี์ก็มีเช่นพระภาหิยะซึ่งเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งพระอาหารหันต์องค์นี้ยังไม่ทันจะได้บวชเป็นพระภิกษุก็มาตายเสียก่อนโดยถูกแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งควิดถูกที่หน้าอกเบื้องซ้ายและถึงแก่ความตายทันที เรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกส่วนสาเหตุที่ทำให้ท่านถูกแม่โคขิดก็เพราะมียักษินีตนหนึ่งซึ่งเป็นโอปปาติกะคอยติดตามที่จะเอาชีวิตท่านเมื่อได้โอกาสในขณะที่ท่านกำลังสแสวงหาบาทและจีวรเพื่อจะบวชในขณะนั้นเองนางยักษินีตนนี้ก็เข้าสิงแม่โคซึ่งกาลังดุและก็ขิดท่านถึงแก่ความตายดังที่กล่าวมา ครั้นแล้วก็ได้เกิดปัญหาขึ้นว่าทำไมบุคคลที่มีบุญถึงขนาดได้เป็นพระอระหันต์จึงต้องมาตายด้วยเหตุอันไม่สมควรเช่นนี้ในคัมภี์อัทธกถาได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องเบื้องหลังในอดีตชาติให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่านางยักษินีตนนั้นเมื่อหลายชาติมาได้เคยเป็นหญิงแพทยสยา ท่านพาหิยะและเพื่อนๆ อ, อีกหลายคนซึ่งในขณะนั้นเป็นลูกเศรษฐีได้พาหญิงนี้ไปเที่ยวอภิรมกันและได้ให้ทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากแต่ครั้นเมื่อตอนจะกลับได้คบคิดกันค่านางเพื่อเอาทรัพย์และเครื่องประดับหญิงนี้มีความอาฆาตมากจึงได้จองเวรกันมาอย่างนี้หลายชาติจนกระทั่งมาในชาติสุดท้ายนี้เวรอันนั้นก็ยังอยู่ ตัวอย่างในทํานองนี้ยังมีอีกเช่นเรื่องภิกษุเจ็รูปจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันแต่ไม่ทันจะมาถึงเกิดมาเมื่อเส้นในระหว่างทางจึงเข้าไปพักอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งแต่แล้วในคืนนั้นก็ปรากฏว่ามีหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาจากข้างบนปิดที่ปากถ้าทำให้พระเหล่านี้ต้องถูกขังอยู่ในถ้าถึงหกวันพอถึงวันที่7หินก้อนนั้นก็เคลื่อนต่อไปเอง ท่านเหล่านั้นจึงออกจากถ้าได้และเมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเล่าถึงสาเหตุให้ฟังว่าการที่เธอต้องถูกขังอยู่ในถ้ำก็เพราะในชาติก่อนเธอทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงโควันหนึ่งไปพบตะกวดเข้าตัวหนึ่งเกิดนึกสนุกขึ้นมาก็วิ่งไล่ตะกวดหลบเข้าไปอยู่ในโพรงซึ่งอยู่ในจอมปลวก พวกเธอจึงได้เอาใบไม้กิ่งไม้มาอุดที่ปากรูทําให้ตะกวดออกไม่ได้แต่ก็คิดว่าจะขังไว้เพียงคืนเดียวรุ่งขึ้นก็จะมาปล่อยมันแต่ครั้นวันรุ่งขึ้นพาโคไปเลี้ยงในที่อื่นลืมนึกถึงตะกวดที่พวกตนขังเอาไว้ในวันที่7จึงได้นึกขึ้นมาได้จึงได้มาปล่อยตะกวดออกจากรูบาปกรรมอันเนี้เป็นเหตุบรรดาลให้พวกเธอต้องถูกขังอยู่ในถ้ำ เรื่องต่างๆในทํานองนี้คนในสมัยปัจจุบันมักจะไม่ยอมเชื่อและถือว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้และนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ทำให้ต้องถกเถียงกันไม่รู้จักสิ้นสุดอีกด้วยถ้าหากเราจะต้องมาเชื่อเรื่องในทํานองนี้แต่อย่างไรก็ดีคนที่เคยทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับโทษเพราะบาปกรรมอันนั้นในลักษณะที่เหมือนกันเสมอ แต่จากตัวอย่างเท่าที่ข้าพเจ้าทราบในปัจจุบันนี้เกือบจะทุกรายผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกคนฆ่าตายจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบาปกรรมในชาติก่อนหรือไม่ก็เกี่ยวกับอปปปาติกะที่เคยมีเวรต่อกันมาแต่ก็มีอยู่เหมือนกันคนที่ตายโดยกระทันหันเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะโรคภัยไข้เจ็บอันไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งการตายในลักษณะเนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบาปกรรม แต่เกี่ยวข้องกับแรงอธิษฐานหรือเกี่ยวข้องกับความดีซึ่งทำให้ตัวเองจะอยู่ในโลกมนุษย์นานต่อไปอีกไม่ได้ตัวอย่างในคำพีเช่นพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพอประสูติพระพุทธเจ้าเมื่อได้เจ็ดวันพระองค์ก็เสด็จสวรรคตอย่างนี้เป็นต้น การตายในลักษณะเช่นนี้ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรและการตายอย่างนี้จะถือว่าเป็นการตายเพราะสิ้นอายุไม่ได้แต่ถ้าจะถือว่าตายเพราะสิ้นกรรมที่ทำให้เกิดมาในโลกมนุษย์อย่างนี้ก็อาจจะได้แต่ที่แท้นั้นเป็นด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ที่พระนางได้ให้กำเนิดบุคคลที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นการหมดหน้าที่เพราะฉะนั้นจึงต้องกลับไปเกิดในสวรรค์ เพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าคนที่ตายด้วยเหตุอันไม่สมควรหรือยังไม่ถึงเวลาอันสมควรนั้นจะต้องเนื่องมาจากบาปกรรมเสมอไปและสำหรับในกรณีของเด็กหญิงจารุวันสินจารุซึ่งได้นำลงในฉบับเดือนมกราคมที่แล้วมานี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้เล่าถึงสาเหตุเบื้องหลังเพราะหน้ากระดาษไม่พอในฉบับนี้ข้าพเจ้าจะได้เล่าถึงเรื่องเบื้องหลังของเด็กผู้นี้ซึ่งพ่อฤาษีเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบดังต่อไปนี้ เด็กหญิงจะรู้วันเมื่อชาติก่อนเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงอยู่ในราชสำนักในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อตายจากชาตินั้นก็มาเกิดเป็นคนจีนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและเป็นคนมีฐานะดีในวัยกลางคนได้เริ่มถือศีลกินเจและไปมีชีวิตอยู่ในโรงเจตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่กรรม เมื่อตายจากชาติที่เป็นคนจีนแล้วก็มาเกิดเป็นเด็กหญิงเจรุวรรณในชาตินี้นี่คือประวัติตอนที่เป็นคนส่วนประวัติตอนที่เป็นโอปปาติกะคือภายหลังจากที่ตายจากเจ้าหญิงไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ที่ไหนพ่อฤาษีไม่ได้บอกบอกเฉพาะแต่ในตอนที่หลังจากตายเมื่อคราวที่ถือศีลกินเจคือหลังจากตายคราวนี้ก็มาเกิดเป็นโอปปาติกะที่มีชีวิตส่วนมากอยู่ในโลกมนุษย์ แต่ก็เป็นเทพธิดาชั้นสูงและอยู่ที่วัดแจ้งเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนที่เด็กหญิงจารุวันไม่สบายมากและเพ้อออกมาจึงบอกว่าจะไปวัดแจ้งทั้งนี้ก็เพราะในขณะที่เด็กกำลังเพ้อนั้นในขณะนั้นเด็กได้เห็นพวกโอปปาติกะที่เคยอยู่ด้วยกันมาพวกเนี้ยต้องการจะมารับตัวไปอยู่ด้วยกันตามเดิมเพราะเด็กหญิงจรุวันในขณะที่เป็นโอปปาติกะ ได้เป็นหัวหน้าพวกนี้และได้ช่วยคุ้มครองพวกเหล่านี้ให้มีความสุขและเมื่อจุติมาเกิดเป็นคนพวกนี้ก็พยายามที่จะเอาตัวกลับคืนไปและสําหรับในกรณีที่เด็กหญิงจะรู้วันไม่สบายนั้นความจริงโรคทางร่างกายก็มีอยู่บ้างคือโรคหืดแต่ก็ไม่เป็นมากนักนานๆจึงจะเป็นสักครั้งหนึ่งแต่ในเมื่อร่างกายอ่อนแอและตัวเองก็เป็นสื่อที่สามารถจะรับอิทธิพลจากพวกเหล่านี้ได้ ฉะนั้นในเมื่อพวกนี้ตั้งใจจะเอาตัวไปจึงทำให้โรคเป็นมากขึ้นที่บอกว่ารอดตายเพราะสังฆทานก็ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อทางนี้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเหล่านั้นก็สบายไปพักหนึ่งและทำให้เกิดความเห็นใจฉะนั้นจึงทำให้ความคิดที่จะเอาตัวไปอ่อนลง แต่พอเกิดความลําบากหรือเกิดความคิดถึงขึ้นมาก็คิดจะมาเอาตัวไปอีกเพราะโอปปาติกาพวกนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องชีวิตและพวกนี้จะมีความสุขอยู่ได้ก็โดยอาศัยบุญของผู้อื่นและพวกนี้มีความยึดมั่นว่าถ้าเด็กหญิงจะรู้วันไปอยู่กับเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาก็จะมีความสุขไม่ลําบากเหมือนเมื่อตอนที่เด็กหญิงจะรู้วันมาเกิดเป็นคน ในกรณีอย่างนี้สมมุติว่าเด็กหญิงจะรู้วันต้องถึงแก่กรรมจริงๆเราก็จะเห็นว่าเธอตายในเวลาอันไม่สมควรหรือด้วยเหตุอันไม่สมควรและจะถือว่าเป็นเพราะมีเวรมีกรรมกันมาในชาติก่อนคือเคยประทุสร้ายเขาหรือเคยฆ่าเขาก็ไม่ได้เพราะความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นดังนั้นคนตายในลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อันเนื่องมาจากพูกโอปปาติกะนั้น จะถือว่าเป็นเพราะมีเวรกันมาเสมอไปก็ไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีการถวายสังฆทานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คนเรารอดตายได้เสมอไปทางที่ถูกเราจะต้องทราบถึงสาเหตุที่แน่นอนเสียก่อนว่าพวกอบ ป, ปติกะที่จะมาเอาชีวิตมนุษย์ไปได้นั้นเป็นเพราะเหตุไรเมื่อทราบเหตุแล้วการแก้ไขจึงจะได้ผล แต่การที่จะรู้ถึงสาเหตุในลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องส่วนมากที่อ้างกันโดยมีผู้ติดต่อทางวิญญาณบอกให้นั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีไม่เช่นนั้นจะถูกหลอกหรือไม่ก็รู้เท่าไม่ถึงการและทำให้เกิดเรื่องที่น่าสลดใจได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่เด็กหญิงจะรู้วันเป็นคนมีบุญ และตอนที่เป็นโอปปาติกะก็เป็นเทพธิดาชั้นสูงเนื่องจากให้เคยสร้างบุญบารมีมามากสำหรับบุคคลประเภทนี้เมื่อมาเกิดในตระกูลใดถ้าหากบุญของพ่อแม่ไม่ถึงก็จะเลี้ยงไว้ไม่ได้แต่ถ้าหากบุญที่จะทำให้อยู่ในโลกมนุษย์มีกําลังมากก็จะมีเหตุการณ์ผลักดันให้ต้องจากพ่อแม่ไปอยู่กับคนที่มีบุญบารมีเสมอกันแต่ถ้าบุญที่จะทาให้อยู่ในโลกมนุษย์ไม่แรงพอ ก็จะทำให้ถึงแก่ความตายได้ด้วยเหตุที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับในกรณีอย่างนี้หมอดูที่มีความชนานาญและดูแม่นจริงๆเขาก็จะบอกได้ว่าดวงชะตาของลูกกับพ่อแม่เป็นกาลกินีต่อกันหรือบางทีเขาอาจจะบอกในลักษณะว่าบุญของพ่อแม่ไม่ถึงลูกและถ้าดูจากชีวิตภายในคือดูจากกายทิพย์ ก็จะเห็นได้ชัดว่าพลังคืออำนาจจิตและรัศมีที่ออกมาจากคนที่มีบุญมากกับคนที่มีบุญน้อยมันขัดกันหรือไม่เข้ากันคล้ายๆกับคนที่มีนิสัยตรงกันข้ามเมื่อพบหน้ากันหรือได้เกี่ยวข้องกันก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบกันแต่ข้อสังเกตอันนี้ไม่เป็นจริงเสมอไปไม่เหมือนกับการดูแสงที่ออกมาจากกายทิพย์ ผู้ที่มีความชำนาญจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่ามันเข้ากันไม่ได้หรือเป็นปฏิปักต่อกันซึ่งในสมัยโบราณก็มีผู้รู้ในทางนี้กันมากและก็มาจะแนะนำให้ยกลูกของตัวเองให้กับผู้ที่มีบุญไปเลี้ยงซึ่งก็เป็นทางแก้ที่ได้ผลตัวอย่างในประวัติศาสตร์ก็มีเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งพ่อแม่เป็นคนสามัญ พ่อแม่ได้ยกให้กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นไปชุบเลี้ยงไว้จนโตเพราะฉะนั้นถ้าหากพ่อแม่คนใดรู้สึกว่าลูกของตัวเองเป็นคนมีบุญและต้องการจะเลี้ยงด้วยตัวเองก็ต้องพยายามทำจิตใจให้สูงอย่าให้จิตใจตกไปในทางชั่วและต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอจึงจะสามารถเลี้ยงลูกที่มีบุญไปได้ตลอด มีปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าสงสัยและได้เรียนถามท่านว่าทำไมพวกนี้จะต้องมาเอาตัวในวันเกิดท่านได้อธิบายให้ฟังว่าโดยปกติพวกโอปะปะติกะถ้ากำลังยุ่งอยู่กับเหตุการณ์อะไรหรือเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องอะไรก็มักจะลืมเรื่องอื่นได้ง่ายมากแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจพอถึงเวลาก็จะนึกขึ้นมาได้ การมาเกิดเป็นคนก็คือการตายจากโลกนั้นเหตุการณ์อันนี้เป็นความประทับใจซึ่งทำให้พวกนี้พอถึงเวลาก็นึกได้เสมอและด้วยเหตุนี้เองพอถึงวันเกิดพวกนี้ก็นึกได้จึงคิดจะมารับเอาตัวไปแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกรายไปเพราะโอปปปาติกะบางประเภทเขาจะติดตามเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลาก็มี เมื่อได้จังหวะตอนใดเขาก็จะรีบฉวยโอกาสทันทีและคำว่าได้จังหวะเนี่ยหมายถึงเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดความอ่อนแอขึ้นมาในด้านจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นในตอนชะตาชีวิตไม่ดีฉะนั้นสำหรับในกรณีที่เป็นผู้จองเวรกันมาจริงๆพวกนี้ก็จะฉวยโอกาสในตอนที่มีเหตุที่อาจจะทำให้ถึงกับความตายได้ง่ายเช่น การขับรถผ่านในสถานที่บางแห่งที่อาจเกิดอันตรายได้ง่ายหรือขับรถสวนทางกับคันอื่นหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามในทำนองที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและถึงแก่ความตายพวกนี้ก็จะเข้าแทรกแซงด้วยการดลใจให้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นระยะที่คนคนนั้นชะตาชีวิตไม่ดีด้วยจึงจะทำได้ถ้าหากในตอนใดชะตาชีวิตยังดีอยู่ พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยททุุกกพันอยู่ไรเหตผล โทษฟ้าโทษ ด, ดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยาให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทังของเธอในคิดในใจ การส่งผลไร้ลายอาจลึกลับต่มั่นคง ก, การส่งผลขกันทอะไรทไดีหรือนั้นคือกัน